กายไม่ระวังใจไม่สำรวมความสำรวมระวังก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนกชนพึงมีเช่นกันเพราะการสำรวมระวังเป็นต้นทางของการรักษาศีลสมาธิปัญญาและการไม่ไปล่วงล้ำก้าเกินผู้อื่นในบางครั้งเราเองก็เผลอเรอลืมสำรวมระวังไปเหมือนกันและการไม่สำรวมระวังนั้น ยังเป็นกรรมตามติดเรามาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อพศส5 3 3ขณะที่เรารับใช้เจ้าประคุณตามปกติเจ้าประคุณได้ลงไปหลังกุฏิเพื่อให้อาหารเต่าปลาซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านเมื่อท่านขึ้นกุฏิแล้วพระเนนประมาณสิบรูปได้ตามท่านขึ้นกุฏิด้วยโดยถอดรองเท้าไว้ที่บริเวณทางขึ้นกุฏิด้วยความที่เราไม่ระวัง ในกิริยาและใจคิดตำหนิไปว่าพระเนนเหล่านี้มาถอดรองเท้าไว้ที่ทางขึ้นกุฏิแกกักขวางทางหากเจ้าประคุณลงมาทางนี้อีกแล้วท่านสะดุดรองเท้าเหล่านี้จะทํากันอย่างไรเมื่อคิดเช่นนี้เราจึงใช้เท้ากวาดรองเท้าของพระเนนเหล่านั้นลงคลองทั้งหมดเมื่อพระเนนเหล่านั้นลงมาจากกุฏิก็ต้องเดินเท้าเปล่ากลับกันไป หลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงเรารู้สึกเจ็บที่เล็บเท้าข้างขวาเมื่อกลับไปบ้านพบว่าเล็บมีหนองออกมาเราเจ็บอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์จึงเห็นชัดว่าเป็นเล็บขบเราทรมานอยู่สามอาทิตย์จึงได้ไปหาหมอเพื่อถอดเล็บออกหลังจากถอดเล็บแล้วอาการเล็บขบได้เกิดขึ้นอีกที่นิ้วโป้งเท้าซ้ายแล้วเราก็ไปหาหมอเพื่อให้ถอดเล็บข้างซ้ายอีก คราวนี้เมื่อเล็บเท้าทั้งสองข้างงอขึ้นมาใหม่ก็กลับมาเป็นเล็บขบเช่นเดิมแต่เป็นเฉพาะข้างขวาก่อนระยะแรกเรารู้สึกว่าเล็บค่อยๆจิกลงไปในเนื้ออยู่ตลอดเวลาหมอแนะนำให้เราใส่รองเท้าแบบขีบเพื่อจะได้ไม่ไปกดทับเล็บอีกแต่ก็ไม่ได้ผลเราวุ่นวายอยู่กับเรื่องเล็บขบนานหลายเดือนในที่สุดก็เข้าปีที่สองเจ้าประคุณท่านได้เมตตาถามเราว่า เราไปทําอะไรมาถึงได้ต้องถอดเล็บอยู่ตลอดและก็เห็นว่าเดินไม่ค่อยสะดวกเรากราบเรียนท่านว่าเราเป็นเล็บขบพยายามรักษาทุกทางแล้วแต่ไม่ดีขึ้นเลยท่านให้เราระลึกดูว่าได้เคยล่วงเกินอะไรไว้บ้างเราจึงค่อยๆระลึกได้ว่าก่อนที่จะเป็นเล็บขบนั้นเราได้กระทําการแอาไม่สํารวมระวังตามที่ได้เล่ามา เจ้าประคุณยิ้มให้เราอย่างเมตตาและบอกว่าเทวดาอารักษ์ท่านคงอยากปราบความอวดดีถือดีของเราที่บังอาจไปกวาดรองเท้าของพระเนนลงคลองเสียหมดอีกทั้งเทวดาอารักษ์เหล่านั้นคงต้องการให้เรามีความสำรวมระวังต่อไปอย่างมากดังนั้นเจ้าประคุณจึงบอกให้เราตั้งจิตขอเข้ามาต่อพระเนนเหล่านั้นรวมถึงเหล่าอารักษ์เทพที่สถิตอยู่ในวัด อาการเล็บกขบของเราจึงทุเลาลงอย่างมากจากที่เคยเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาเหลือเพียงเจ็บเฉพาะวันโกนและวันพระเท่านั้นหลังจากที่ขอขมาไปได้ระยะหนึ่งนิ้วโป้งเท้าขวาเริ่มมีสีดำคล้ำเพราะเป็นแผลอยู่ตลอดเราจึงเริ่มพิจารณาที่นิ้วเท้าและได้บอกกล่าวกับอารักเทศที่กำลังลงโทษเราอยู่เราขอร้องท่านว่า ขณะนี้นิ้วป้งเท้าขวาของเราเริ่มดำคล้ำแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงมีทุกขเวทนาเป็นอย่างมากเราบอกกับอารักเทพว่าที่ท่านเพ่งโทษเรานั้นเป็นการชอบแล้วเพื่อเป็นการตักเตือนให้เราสำรวมระวังต่อไปเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความโง่เขลาขาดสติไม่สำรวมเราสัญญากับอารักเทพว่าแม้โทษที่เราได้ล่วงล้ำกัมเกิด น, นี้ยังไม่หมดไปเราก็จะสำรวมระวังต่อไปให้มากขึ้น หลังจากอธิษฐานถึงอารักษ์เทพปรากฏว่าเล็บขบที่นิ้วเท้าขวาได้ย้ายมาเป็นที่ข้างซ้ายแทนและจะสลับกันเป็นเช่นนี้โดยตลอดไม่เคยเป็นพร้อมกันอีกทั้งบางครั้งเมื่อมีเหตุ ท, ที่ต้องใส่รองเท้าหนังหรือรองเท้าบูธติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวันเทวดาอารักษ์ท่านก็จะเมตางดโทษให้โดยอาการเล็บขบจะไม่เกิดขึ้นเลยในขณะนั้น ด้วยความที่เราถูกท่านลงโทษมาเป็นเวลานานมากเราจึงเริ่มเข้าใจท่านมากขึ้นเราสัมผัสได้ว่าท่านเป็นเทพธิดาเพราะว่าครั้งหนึ่งเรารู้สึกได้ว่าท่านอยากได้สร้อยข้อเท้าเราจึงไปหาสร้อยมาใส่ที่ข้อเท้าโดยใส่ถุงเท้าปิดไว้อีกทีไม่ให้ใครเห็นปรากฏว่าท่านเมตตามากเพราะไม่เป็นเล็บขบเลยในช่วงที่ใส่อยู่แต่เพราะเจ้าประคุณบอกให้เราใช้กรรมที่ร่วงเกินให้หมดเสีย เราจึงได้ถอดส้อยข้อเท้าออกแต่ถึงแม้จะถอดออกแล้วท่านก็เมตตาเรามากขึ้นกว่าเดิมมากปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา18ปีแล้วที่เรายังมีอาการของเล็บขบอยู่แต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนจะเจ็บเฉพาะวันโกนและวันพระเท่านั้นส่วนที่ว่าอารักเทพท่านลงโทษนั้นก็ใช่ว่าท่านจะลงโทษเราแต่อย่างเดียวเพราะว่าเวลาเราเดินไปไหนมาไหน หากครั้งใดที่เราเกือบจะพลาดพลัง้งเยียบย่ำสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ตามพื้นดินท่านก็จะบันดาลให้เล็บจิกลงไปที่เนื้อจนเราถึงกับสะดุ้งชักเท้าออกในทันทีอันนี้เราก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเมตตาที่ท่านมีต่อเราด้วยท่านไม่ต้องการให้เรากระทำปาณาติบาตเป็นบาปที่ติดตัวไปในภายหน้า